ฝึกจากความรู้สึกจากทางไกลจะทําโดยสุพมาศบุญประเสริฐกัญญ น, นัตทองบุญก่อนจะเริ่มฝึกข้อนี้ต้องแน่ใจว่าคุณผ่านข้อก่อนๆมามากพอจะรู้สึกกลมกลืนกันมีความไม่เป็นอื่นทางความรู้สึกแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดต้องเคยผ่านสัมผัส ถ, ถึงความทุกข์ความสุขของอีกฝ่ายอย่างชัดเจน อยู่ด้วยกันต่อหน้าและทดสอบความแม่นยำจากปากญาติจนมั่นใจแล้วว่าไม่ใช่รู้สึกไปเองหากรีบร้อนด่วนฝึกข้อนี้ด้วยความรู้สึกว่าคุณน่าจะทำได้คุณน่าจะมีสังหรณ์คุณน่าจะมียานอย่างรู้ด้วยความเก่งที่มีเป็นทุนอยู่แล้วผลมักจะเป็นว่าสอบความรู้สึกกับญาติแล้วไม่ตรงเป็นการคิดไปเอง ทำให้เสียความเชื่อมัน่นและไม่เกิดทัศนคติที่ถูกต้องกับการฝึกขั้นต่อต่อไปเช่นจะพยายามดึงดันบอกว่าใช่ทั้งที่ญาติบอกว่าผิดเป็นต้นวิธีตรวจสอบว่าคุณเริ่มฝึกข้อนี้ได้อาจเป็นอะไรง่ายๆเช่นขณะอยู่ห่างหรืออยู่ต่างสถานที่กันลองนึกถึงเสียงของญาติที่คุณได้ยินเป็นครั้งสุดท้ายถ้านึกออก ก็แปลว่าคุณจับอารมณ์สุดท้ายของเขาขึ้นมาเป็นตัวตั้งได้ดังที่ทราบแล้วว่าคลื่นเสียงเป็นตัวแทนอารมณ์ได้ดีกว่าอะไรอื่นในตัวเขาขอให้พิจารณาว่าอารมณ์ที่ก่อติดอยู่กับเสียงสุดท้ายของเขาซึ่งคุณระลึกได้อยู่นั้นเป็นอารมณ์ในอดีตล่วงไปแล้วแต่ทันทีที่คุณจับอารมณ์ในอดีตของเขาได้ จิตของคุณก็จะเชื่อมต่อกับจิตของเขาที่เป็นปัจจุบันไปแทนถ้าเกิดประสบการณ์ทางจิตด้วยตนเองจะเข้าใจกล่าวให้รวบรัดที่สุดเมื่อนึกถึงเสียงสุดท้ายของเขาคุณจะทราบว่าอารมณ์ปัจจุบันของเขาแตกต่างจากอารมณ์สุดท้ายในทางสว่างขึ้นหรือมืดลงคำอธิบายตรงนี้คงต้องเปรียบว่าคลื่นจิตของมนุษย์ สัตว์และเทวดาทั้งหลายคล้ายคลื่นวิทยุที่กระจายเสียงอยู่ตลอดเวลาและเป็นการกระจายแบบไม่จำกัดอนาเขตเนื่องจากไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยพาหะไม่สนใจว่าจะต้องวิ่งผ่านสุญญากาศข้ามจักรวาลไปถึงพรมแดนไหนไม่แม้กระทั่งปรากฏในอดีตหรือกำลังปรากฏในปัจจุบันคลื่นจิตของแต่ละคนจะถูกรู้ได้เสมอ ขอเพียงเครื่องรับสามารถจูนเข้าหาต้นแหล่งกระจายคลื่นจิตได้ถูกเท่านั้นเมื่อจิตของคุณเชื่อมติดกับจิตอันเป็นปัจจุบันของเขาได้จริงและคุณเปรียบเทียบได้ถูกว่าขณะนี้อารมณ์ของเขาเป็นสุขกว่าที่คุณสัมผัสจากเสียงสุดท้ายใจของคุณอาจเห็นเป็นนิมิตเช่นสว่างจ้าหรืออาจสัมผัสเ ป, เป็นความสบายปลอดโปร่งโล่งเบา แต่หากปัจจุบันเขากำลังเป็นทุกข์กว่าที่คุณสัมผัสเป็นครั้งสุดท้ายใจของคุณอาจแปลนิมิตเป็นความมืดหรืออาจสัมผัสเป็นความอึดอัดทึบแน่นหนาหนักเห็นอย่างไรสัมผัสได้แบบไหนลองโทรไปทักทายไทยถามว่าญาติกำลังรู้สึกเช่นไรอย่าชี้นำให้เขาตอบเองและคุณสัมผัสรู้จากเสียงจริงในขณะนั้นว่า ตรงกันหรือต่างกันแค่ไหนถ้าไม่ตรงก็ยอมรับว่าไม่ตรงแต่ถ้าตรงก็อย่าลิงโลดขอให้คิดว่าคุณอยู่ระหว่างฝึกหัดเสมอและคุณมีเวลาฝึกต่อเท่าที่ชีวิตของญาติยังคงเหลืออยู่ไม่ใช่จะต้องรีบร้อนให้แม่นยำเดียวนั้นถ้าสอบทานแล้วไม่ตรงกับความจริงทุกครั้ง ก็เป็นไปได้ว่าคุณยังมีม่านหมอกของนิสัยคิดไปเองขัดขวางอยู่มากฉะนั้นก็อาจเลือกที่จะผูกบุญกับญาติแบบซึ่งหน้าตามข้อก่อนๆ ก, ก, ก็พอไม่จําเป็นต้องฝึกสัมผัสจากทางไกลก็ได้เพราะเมื่อมาถึงขั้นนี้คุณจะหมดห่วงกับคติข้างหน้าของญาติอยู่แล้วรู้สึกกับใจตนเองอยู่แล้วว่าอย่างไรญาติก็ต้องได้ไปดีแน่ เปรียบเหมือนคุณช่วยอาบน้ำชำระสาสางเนื้อตัวให้ญาติอย่างดีกับมือเวลาต้องส่งญาติไปคัดเลือกว่าจะได้ไปอยู่กับหมู่คนตัวหอมหรือหมู่คนตัวเหม็นคุณย่อมไม่ห่วงไม่คิดลังเลสงสัยหรือว่าญาติจะได้ไปอยู่กับคนพวกไหนแต่หากการฝึกข้อนี้ของคุณได้ผลสำเร็จอย่างดีคุณอาจต้องตื่นเต้นเมื่อพบว่า เพียงกำหนดใจสัมผัสรู้สึกถึงวาราจิตของญาติก็ปรากฏเป็นนิมิตจิตปัจจุบันของเขากำลังแฝงอยู่ในอิริยาบถ ท, ทางกายแบบใดนอนอยู่หรือนั่งอยู่เมื่อลอยตามองออกนอกหน้าต่างหรือจดจ้องนิ่งเหมือนคนกำลังดูโทรทัศน์หากสอบทานกับญาติแล้วได้ผลตรงกันเขากำลังอยู่ในอิริยาบถนั้นจริงก็ให้บอกตอนเองด้วยความมั่นใจได้เลยว่า ถึงแม้ญาติจะจากโลกนี้ไปคุณก็ยังสามารถเห็นสภาพของเขาต่อได้แน่แล้ว